พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตตั้งแต่เราเรียนมาเราก็จะรู้ได้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ควรทาอันนี้สิ่งที่ไม่ควรทาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านต้องใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่ากาละเทสะบุคคล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 เป็นคนดีและเป็นคนเลวสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านปรัดไว้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายท่านเรียกว่าสับปิริ ธ, ธรรมสับปริ ธ, ธรรมคือธรรมของสัตว์ปรุษเออคือเป็นแนวความคิดของคนดีสวัสดสุภาพปรุษก็ไม่น่าจะผิดธรรมของสุภาพปรุษคือปรุษที่เป็นคนดีในการดารงชีวิตการดาเนินชีวิตของตนเอง